าาวตาาตที่งอินันดูนทิม น, นิสงส์ที่สุดทั้งหลายทางนี้เป็นที่ไปอันเอกเนกายัยนโน ย, ยังที่โเวมารโคเพื่อความมุด หมดจดวิเศษของสัตว์ทั้งหลายเพื่อก้าวล่วงเสียซึ่งความโศกและความร่ำไรเพื่ออัดสดงดับไปแห่งทุกข์และโทมนัดเพื่อบรรลุยยะธรรมเพื่อกระทาพระนิพพานให้แจ้งทางนี้คือสติปัฏฐานสี่สีอย่างอี่อประการชานี้ <c oughs> เจ็ดเดือนเจ็ดปีมีพระสูตรเดียวนี่แหละที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงแล้วก็องค์ทรงระบุถึงระยะเวลาแต่ว่าวิธีทมเนี่ยสำคัญ เราทำยังไงมันถึงจะได้เจ็ดวันเจ็ดเดือนเจ็ดปีทำเจ็เดือนเจ็ดวันเจ็ดเดือนเจ็ดปีต้องทำอย่างยิ่งยวดทำแบบตั้งอกตั้งใจอย่างจริงจังทำปล่อยทำทิ้งทำปล่อยทำทิ้ง เมื่อไหร่จะได้อ่ะเจ็ดวันเจ็ดเดือนเจ็ดปีเจ็ดปียกไว้เร็วกว่านั้นหกปีหกปียกไว้เร็วกว่านั้นห้าปียกไว้เร็วกว่านั้นสี่ปียกไว้สามปียกไว้สองปียกไว้หนึ่งปียกไว้เกตเดือนเกตเดือนยกไว้ หเดือนหเดือนยกไว้หเดือนหเดือนยกไว้สี่เดือนสี่เดือนยกไว้สามเดือนสองเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนยกไว้ครึ่งเดือนครึ่งเดือนยกไว้เจดวันเป็นอย่างช้าบุคคลผู้นั้นต้องได้เป็นพระอรหัน ถ้ายังมีอุปธิเหลืออยู่อย่างน้อยได้เป็นประสบปันโสดาปันอย่างสูงสุดได้เป็นพระอนาคามีเจ็ดวันเจ็ดเดือนเจ็ดปีเจ็ดวันเจ็ดเดือนเจ็ดปีนี้เราจะไปยังไงให้ทันตามระยะ ตามการตามเวลาที่ท่านกำหนดไว้เรามาดูอุปมาอุปมาการกระทำของเราเนี่ยอุปมากับการสีไม้ให้เกิดไฟเราจะได้รู้ว่าน้ำหนักที่เราทำเนี่ยมันจะได้ยังไงเจ็ดวันเจ็ดเตือนเจ็ดปีพวกเรา อยู่บ้านอยู่เรือนท่านว่ามีกายยังไม่ออกจากกามมีจิตยังไม่ออกจากกามมีกายยังไม่ออกจากกามมีจิตยังไม่ออกจากกามถ้าจะเปรียบมือนไม้ก็เหมือนไม้สดด้วยชุ่มด้วยยางด้วยแล้วแช่อยู่ในน้ําอีกมันเป็นไม้เปียก พวกเรานี่เป็นไม้เปียกยังไม่ออกจากกามหมายความว่าอยู่บ้านอยู่ช่องครุกคลีกับสามีกับภรรยากับลกูกกับเจ้านี่กายยังไม่ออกจากกามอยู่ครองเรือนอกายยังไม่ออกจากกามจิตยังไม่ออกจากกามืนึกคิดแตเรื่องกาม เสร็จแล้วมีการบริโภคการบริโภคการเหมือนกับไม้สดด้วยชุ่มด้วยยางด้วยแช่อยู่ในน้ําอีกแช่อยู่ในน้ําตั้งใจทําความเพียรอย่างยิ่งยวดเหน็ดเหนื่อยปเปล่าเหน็ดเหนื่อยเปล่าพุทธเจ้าท่าทรงตรัสว่าเหน็ดเหนื่อยเปล่าเหมือนเอาไม้สดที่ชุ่มด้วยยางด้วยแช่อยู่ในน้ําด้วยเอาไปเสียเกิดไฟเป็นไปได้ยาก คำว่าเป็นไปได้ยากในชีนี้หมายความว่าเรามองถึงเปลวไฟที่เราจะได้ไฟใช้ ม, มันเห็นเป็นเ ป, นเปลวไฟได้ยากแต่เราปฏิเสธไม่ได้ว่ามีผลเมีย น, นิสงตกค้างเหลืออยู่เหมือนเราไม้สดชุ่มด้วยยางแช่อยู่ในน้ําด้วยเอาไปสียเกิดไฟสียเสียเสียเสียไปเสียมาถลอกเปลือ ก, ก, ก เ, รเริ่มแห้งเริ่มเหือดเริ่มแห้งจากการเสียดสีนแต่โอกาสที่มันจะเป็นเปลวมันเป็นไม่ได้ท่านั้นเอง ท่านไม่ท่านไม่ได้ปฏศศศศิเสธผลกรรมวิบากกรรมกายยังไม่ออกจากกามเหมือนเราอยู่เคราเรือคลุกคลีด้วยฝุ่นด้วยละอองด้วยชั่ีมีกายออกจากกามแล้วหมายความว่าเราออกมาอยู่ป่าอยเขาอยู่ที่สงบสงัดแล้วแต่จิตเราคิดแตเรื่องกรรมมันก็พอๆกับกายยังไม่ออกจากกามนั่นแหละ เพราะจิตมันยังไม่ออกจากกามจิตยังไม่ออกจากกามออกากกาหมายถึงจิตนึกในเรื่องรูปเรื่องเสียงเรื่องกลิ่นเรื่องรสเรื่องสัมผัสเรื่องราคะเรื่องตัณหาราคะทั้งหลายทั้งปวงจิตมันนึกมันคิดถึงหมว่าไป pp, อยู่ป่าอยู่เขาอยู่ถ้าอยู่เหวที่ไหนก็ตามแต่แต่จิตมันไม่สงบจิตนึกในเรื่องเหล่านั้นทัานว่ามีกายออกจากกามแล้วแต่จิตยังไม่ออกจากกาม เหมือนไม้สดชุ่มโดยยางถึงแม้ว่าจะไม่แช่อยู่ในน้ํามันก็ยังเป็นไม้เปียกเพราะมันไม้มันสดเอาไปเสียเกิดไฟก็เหน็ดเหนื่อยเปล่าแต่เราไม่ปฏิเสธว่ามันจะไม่มีผลคือวิบากกรรมสีไปสีไปสีไปอย่างน้อยมันก็ดีกว่าไม้ที่แช่อยู่ในน้ำํำมันจะเริ่มถลอกปอกเปิดเริ่มเหือดเริ่มแห้งเริ่มอะไรไป แต่โอกาสที่จะเป็นเปลวก็เป็นได้ยากเพราะจิตนึกถึงเรื่องกามจิตไม่สงบสักหนึ่งก็เติมเข้าไปอีกแล้วสักนึก่งก็คิดเพิ่มเข้าไปอีกแล้วสักน่งก็ผิดเพิ่มเข้าไปอีกแล้วคิดผิดคิดออกนอกลู่นอ ก, ก, นอ ก, นอกทางสารพัด ท, ที่ปัญจภานึกภาคิดเรื่องของกามทั้งหลายก็คือตัณหาเนะั่นมันวามนึกอาคิดความยากนั่นแหละกามกามตัณหาภาวะตัณหาที่ภาวะตัณหา เรื่องของความอยากนี่กายออกจากกามแล้วจิตออกจากกามแล้วคือจิตสงบคําว่าจิตสงบเนี่ยเราอยู่ครองเรือนก็ตามเรายังไม่ได้ออกมาอยู่ถือศินแปดถือศินสิบสองยี่สิบเจ็ดก็ตามแต่เราต้องใจผ่าวไนาใจให้รับความสงบอยู่ในเพศคราวาดคือหัสครองเรือน แต่เราพยายามตั้งใจเภาหนาใจใ้รับความสงบการบริโภคการที่เราบริโภคเป็นประจำนั้นน่ะมันก็มันก็ย่อมมีความอิ่มย่อมมีความพอย่อมมีความเบือ่ออยู่ในนั้นแหละซึ่งเราปฏิเสธไม่ได้เราเห็นทุกเห็นโทษเห็ <Guin ness> นภัยใ น, นวัฏสงสารเราพยายามภาวนาใจใ้รับความสงบใจเริ่มสงบใจเริ่มทิ้งกาม <B us Univers itas> ใจเริ่มทิ้งกาม เสร็จแล้วเราตั้งใจเจริญสีเจริญสมาธิเจริญปัญญาอย่างยิ่งรู้ช่องทางในการประพฤติปฏิบัติด้วยอริยมรรคมีองค์แปรู้จักหลักอริยสัจสี่รู้จักข้อวัดปฏิบัติรู้จักข้อประพฤติข้อปฏิบัติเหมือนเราเอาไม้แห้งเหมือนเราเอาไม้แห้งสีกันให้เกิดไฟสีโอกาสที่จะเกิดไฟเกิดขึ้นมาได้เพราะไม้มันแห้ง สีไปสีไปสีไปสียังไม่ร้อนพอที่จะเป็นไฟก็หยุดอี่ขี้เกียจบ้างอีกค้านบ้างเบื่อบ้างอะไรบ้างไม่มีอะไรดนใจให้เราทําบ้างสีสีสีแล้วก็หยุดไฟแบบนี้เวลาเราสีเสียดสีต่อเนื่องกันมันจะเกิดเป็นไฟที่รุนแรงขึ้นแต่ถ้าเราหยุดไฟมันก็หมดไปแล้ว คิดขึ้นได้กับทอีกซีซีเรามาเทียบดูเหมือนกับพวกเรานี่แหละคิดได้กับทำทำทำทำทำทำแล้วก็หยุดเหนื่อยแล้วก็หยุดไม่มีอะไรดลใจทําทําทําทําแล้วก็หยุดทำทำทำแล้วก็หยุดถึงแม้ว่าเราจะมีความรู้รู้ตามหลักปริยัติเราอย่างงั้นทําอย่างงั้นทำอย่างนั้นแล้วก็ถึงแม้ว่าจะมีภูมิสมาธิคือความสงบแล้วก็ต่างแต่ก็ดีกว่าคนประเภทที่หนึ่ง ดีกว่าคนประเภทที่สองเพราะจิตพระจิตมีความสงบจิตมีความสงบเหมือนกับจิตไม่รำพึงรำพันไข้ครวญถึงเรื่องกามไม่วิตกวิจารณ์ถึงเรื่องการไม่นึกไม่คิดถึงเรื่องการจิตมีความสงบแค่แท้ที่จริงความสงบของจิตแค่จิตเองครับความสงบมันก็พออยู่พอเป็นพอไปเพราะจิตสงบ มีความอึดอิ่มมีความสุขมีความเบามีความสบายมีความหายห่วงหายกังวลสารพัดแค่นี้มันก็พออยู่แต่โอกาสที่จะพิจารณาให้เห็นอาจเห็นธรมที่ละเอียดหรือก็ไปกว่านั้นความเพียรไม่พอความต่อเนื่องไม่พอเพราะอะไรเพราะทําหยุดทำทำทำทำทำแล้วก็หยุดทําได้อยู่ทําถูกอยู่จิตสงบอยู่ โอกาสที่จะเป็นเปลวไฟมันเป็นไม่ได้มันเสียดสีไม่ถึงสีสีสีสีแล้วก็หยุดสีสีสีสีสีแล้วก็หยุดมีบุคคลประเภทสามเหมือนไม้แห้งอยู่บนบกเอาไปสีสีแล้วก็หยุดสีสีสีหยุดสีสีสีหยุดทีนี้การเสียดสีหรือไม้ไม้ไม้ไม้แห้งอยู่บนบกอืถ้าเผื่อเราทําไม่ถูกต้องตามหลักอริยมรรคในองค์แปดไม่รู้จะเราจะทำไง วิธีการเสียบเสีให้เกิดไฟสีถูกวิธีหรือเปล่าบางทีสีไม่ถูกวิธีโอกาสที่จะเป็นไฟเกิดขึ้นมาเป็นระยะนี่อันนี้ก็เป็นเป็นปัญหาอีกประเภทหนึ่งสีถูกวิธีหรือเปล่าภาวนาถูกวิธีหรือเปล่าภาวนาถูกต้องหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นปัญหาอีกอย่างหนึ่งแม้แต่เราตั้งใจทําถูกต้องแล้วตามที่ฉันพูดไว้ ต้องเจริญสมาธินะมาได้สมาธิแล้วต้องพิจารณาทางการปัญญาพิจารณาหลักอริยสัจพิจารณาธาตุขันธ์ปรองลองในหลักอนิจจังทุกขังอนัตตาเรารู้อยู่แต่ทําทำทำทำท ำ, ทำยังไม่ถึงทํายังไม่เกิดเพราะอะไรทําทําทำแล้วก็หยุดทําทำแล้วก็หยุดไม่พอจะเกิดไม่พอจะเสียดเสียให้เกิดไฟเป็นไฟเป็นเปลวไฟขึ้นมาได้ประเภทสามประเภทสี่คือบุคคลที่ เดินถูกทางจิตออกจากกามีความสงบเป็นพื้นเป็นบากเป็นฐานแล้วก็เดินถูกทางแล้วก็ต้องั้งใจทำเห็นทุกเห็นโทษเห็นไฟยอย่างจริงจังเดินหนักหน้าเข้าไปเรื่อยทําความเพียรอย่างต่อเนื่องเหมือนกับสีไม้แห้งนะสีไม้ยอมหยุดสีสีสี ส, ส, ส, ส, สีหนักหน้าเข้าไปเรื่อยขยับเข้าไปเรื่อยจนสั ญ, ญลักษณ์ไฟปรากฏมี วันปรากฏมีฐาน้ำด ำ, ดำมีฐานแดงแดงปรากฏเห็นขนาดนั้นแล้วก็ตามขยับไม่หยุดขยับไม่หยุดเคยเข็ดเคยหลาบเคยเข็ดเคยหลาบมาแล้วขยับไม่หยุดจนเปลวไฟจนเปลวไฟติดขึ้นมาได้ไฟใช้เหมือนกับปัญญาที่เราพิจารณาพิจารณาอันนี้จังทุกขงังอนัมตาพิจารณา กายพิจารณาเวทนาพิจารณาจิตหรือพิจารณาธรรมหรือพิจารณาอะไรก็ตามแล้วแต่เราจะถนัดในเวทในมหาสถติประฐานทั้งสี่พิจารณาพิจารณาพิจารณาแล้วหยุดพิจารณาพิจารณาพิจารณาแล้วก็หยุดพิจารณาไปในเห็นช่องเห็นทางพอที่จะเป็นไปได้แล้วว่ามันเกาะใกล้จะติดแล้วนี่ยเห็นเห็นสัญลักษณ์ เห็นปรากฏมีความขรึมยิมย่องว่าอะไรจะเกิดว่าไฟจะเกิดแล้วนะขยับตอนนั้นนะขยับขยับจนไฟติดเกิดปัญญาจนเกิดปัญญาถ้าจะเทียบกับปัญญาก็คือเกิดปัญญายานถ้าจะเทียบกับวิปัสนาคือวิปัสนาญาณอันเดียวกันัแะไรปัญญาญาณกับวิปัสนาญาณก็อันเดียวกันแต่มันมีความรู้พิเศษเกิดขึ้นมาเทียบเท่ากับว่า แทนที่จะเป็นแค่ควันแทนที่จะเป็นแค่ฐานแดงๆเป็นเปลวขึ้นมาเอามาจุดนุ้นได้จุดนี้ได้แต่ไฟใช้เกิดความรู้ได้ญาณได้ญาณทัศนะนี่บุคคลประเภทที่ส<ม>ี่นั่นแหละพระเรามาเที่ยวกัว่าทำยังไงจะได้อันนี้สองเจ็ดวัน 7. เจ็ดเตือนเจ็ดปีเป็นอยางช้าบุคคลแบบนี้ต้องได้แน่เลยด้วยเหตุที่ บุญญาบารมีอินทรียเบาบางไม่หนักแน่นอินทรียไม่มากอย่างน้อยต้องได้โสมดาบันจะต้องทําถึงขนาดนั้นนะมีผลถึงขนาดนั้นมีผลรองรับถึงขนาดนั้นคนที่มีบารมีอินทรียปานกลางขยับก็ไปอีกอย่างน้อยก็ได้เป็นพระนาคามี คนที่สังสมอบรมบุญญาบารมีมามากแล้วขยับไปได้เลยพ้นไปได้พ้นอุปธิพ้นอาสวะพ้นกิเลสตัณหาอาสวะทั้งหลายทั้งปวงเข้าถึงที่สุดได้นีเรามาเทียบอย่างนี้กับการ ต, ต, ตั้งใจปฏิบัติอตัวให้ได้อันิสงอันิสงตั้งใจปฏิบัติตามหลักมหาสีบปฐฐาน ทั้งสี่เนี่ยนี่ลท่านพูดถึงอเนสงส์ที่เราทำก็เหมือนอย่างที่พวกเราทำนี่แหละทั้งใจทำความสงบก็พอจะยิบยิบย็บยับอยู่แต่ไม่ถึงกับแนบแน่นมั่นคงตั้งมั่นพอที่จะมาทำงานได้สดกสบายวกวกแวงแบบเราดูไปเรา เป็นคนประเภทไหนป ร, ประเภทที่หนึ่งไม้สดชุ่มด้วยอยงแช่อยู่ในน้ําอีกหรือบุคคลประเภทสองไม้สดชุ่มด้วยอยงเยเฉยแต่บุคคลประเภทสองสมมติย่างเป็นคราวญามีกายยังไม่ออกจากกามแต่สามารถเอาจิตออกจากกามได้เหมือนพุทธิย้าท่าสอนยัตสัคนละบุตรน่ะท่านสอนเรื่องทานกถาสีลัทธา แล้วถอนสอนสอนถึงสักขะกถาสอนโชรันโสรรค์นี้เป็นผลของกามคุณทั้งนั้นสมมติสมมุติอย่าเราทําบุญให้ทานให้ทานอย่างเดียวตั้งใจรักษาศีลอย่างเดียวไม่มีการภาวนา ใ, ใจได้รับความสงบอันนี้สงสูงสุดไปเกิดบนสวรรวนสวยกลางสวยกามสกามสุ่อยู่บนสวรรค์เต็มแพร มีแต่ของทิพอัน น, อนัก็ทิพอันนี้ก็ทิอืมอลังการอยู่บนสวรรค์นั่นแนะ่ะผลทั้งหลายทั้งปวงเหล่านั้นนั่นแหละคือผลของกาเมคุณไปเสพสุขเสพกามอยู่บนนั้นอนะ่ะมีความสุขมากมายมหาศาลไม่รู้กี่ร้อยกี่เท่าพันทวีในในโลกมนุษย์เราอืมมีความสุขอยู่บนสวรรค์ท่า น, น, นพุทธเจ้าเห็นว่าบนสวรรค์นั่นเป็นผลของกามกามเท่านั้นเพราะงั้นพุทธเจ้าท่านจึงทรงดแสดง โทษของกามลโทษของกามแม้ที่จะไปมีความสุขบนสวรรค์เหล่านั้นแลว้วกา็ตามนั่นหรืยังอกาลทั้งหลายทั้งปวง ย, ยังมีผลอีกผลคือโทษโทษของกามโทษของกามก็คือมันไม่รู้จะอิ่มไม่อิ่มมันไม่อิ่ ม, ไ ม, มไม่พอในกามถึงวันอย่างช้าโลกของเราเสีย ก, กามมีความอิ่มพอไหม มีหนึ่งแล้วก็มีสองมีสองมีสามบางคนมีอยู่ลําไปอมีไม่พอมีของใช้ไหมสอยมีสิ่งนี้ใช้สอยอย่างดีๆใช้ไปใช้ไปก็เบื่อเบื่อเปลี่ยนใหม่ใช้นู้นใช้นี้ใช้ไปใช้ไปเบื่อเบื่อเปลี่ยนใหม่เบื่อแล้วก็เปลี่ยนใหม่ไอ้สิ่งที่ใช้จําเจแล้วก็เบื่อเบื่อแล้วก็เปลี่ยนใหม่นี่คือโทษอวากามและความอยากความต้องการไม่มีอิ่มไม่มีพอ เหมือนอย่างต่านท่า น, นพูดถึงว่าเทวดาสองตนแย่งนางฟ้ากันเทวดาสองตนแย่งนางฟ้ากันนางฟ้านางหนึ่งไปเกิดระหว่างเส้นแบ่งเทวดาทั้งสองเขาอยู่เป็นขอบเป็นเขลียของใครของเราเลยไม่รู้ว่าเป็นของใครอีกองหนึ่งก็ว่าของตัวเองอีกองหนึ่งก็ว่าของตัวเองเลยตกลงกันไม่ได้แย่งกันตกลงกันไม่ได้ ถ้าเกิดในเขตสุทธิของไข่ของเราเขาถือว่าไปไปแย่งกันไม่ได้แต่อันนี้ไปเกิดในระหว่างเส้นแบ่งจะเป็นของไรกันานถ้าเป็นหนอกรุ้ยก็เกิดในระหว่างเส้นแบ่งแต่ถ้าเราจะพิจารณาด้วยเหตุผลก็มันมาจา ก, ก่อของใครแต่อันนี้มันมันรู้ไม่ได้เนี่ยมันมาโผล่ได้ยังไงเนี่ยเส้นระหว่างกลานเนี่ยแย่งกัน ตกลงกันไม่ได้ไปหาพระอินทร์พระอินทร์มาเห็นเห็นนางในงามนักหนาพวกเธอเห็นนาฟ้าตัว น, นี้แล้วเห็นว่าเป็นยังไงถามเทวดาทั้งสองไอ้คอนหนึ่งก็ว่าของตนเองอีกคนหนึ่งก็ว่าของตนเองแย่งอยู่เรานี่นะถ้าเราไม่ได้นางนี้นะเราตายแ น, น่พระอินทร์พระอินทร์แย่งไปเฉยเลยเอาไปหน้าทายเฉยเลยนะเราฟังตรงทนี่คือกาม <ś led> ยุบวนสวรร์นั่นแหละเพลินกับกามาสุขอยู่นั่นแหละ <ś led> พระเจ้าท่านท่านถึงว่านี่โทษการแย่งกันการเบียดเบียนการการฆ่าแกงกันการทะเลาะเ บ, บาแวงกันอะไรแต่ละนี่คือโทษของกาม <ś led> เราดูแต่การทะเลาะเ บ, บาแวงของครอบครัวขัวเมียเถอะทุบตีกันดา่าทอกันอยู่นั่น <ś led> นี่คือโทษของกามนอกจากนั้นแลเรามาดูโทษของมัน อัตภาพร่างกายของเรานี่คือก้อนกามร่างกายของเราแต่และแต่และตนแต่และท่านอันนี้คือก้อนกามก้อนกามตอนนี้เราดูโทษของมันสิเช้าขึ้นมาหิวหาใส่ปากใส่ท้องต้องทํางานหนักต้องทํางานเบาตากแดดตากฝนบางคนทํางานเสียงเป็นเสียงตายไปลักไปขโมยหาปูหาปลาอยู่ก้นทะเลนีน่นเสียงเป็นเสียงตายน่ะ บางคนต้องรับจ้างอย่างนู้นต้องรับจ้างอย่างนี้เสียงเป็นเสียงตายกับอาชีพกับการได้มากับสิ่งกับของนี้เพื่อได้มาเลี้ยงก้อนกามนี่คือโทษของมันจากนั้นก็ถูกใจไม่ถูกใจดีใจเสียใจสมหวังไม่สมหวังผิดหวังจากนั้นก็เจ็บไข้ได้ป่วยจากนั้นแล้วก็ เจริญตามไปเจริญเสื่อมตามใบเสื่อมแก่ถ้าไปไม่อยากแก่ในสุดตายนี่คือโทษของมันนี่คือโทษของกรรมมันไม่อยากแก่ก็ะทุกมันไม่อยากเจ็บก็ะทุกมันไม่อยากตายก็ะทุกมันไม่สวยงามตามใจหวังกระทุกโอ้สาสตร์สนุนนองเรื่องเกินทำไมช้าอีกแล้ว <c oughs> อุตส่าประคับประคองอุตสาเสริมอย่างนั้นเสริมอย่างนี้บังหลงอาหารอย่างนั้นบังหงอาหารอย่างนี้ให้ถูกใจไม่ถูกใจแล้วทุกใหญ่นี่คือโทษของกามทะเลาะเบอกไว้งฆ่าตีแย่งชิงกันระลุคนในโลกนี่แย่งชิงกันนี่คือโทษของกามต้องถึงต้องห่วงต้องทะนุต้องถนอมต้องรักนะ ต้องเฝ้าระวังกลัวหายเพาะรักเพราะหึงเพราะหงุดเพราะถนอมโทษของกามทีนี้พระองค์ทรงแสดงถึงอานิสงส์ของการ อ, อกจากกาพูดถึงโทษทของกาบคือโทษบนสวรรค์นั่นแหละบนสวรรค์เนี่ ย, นนยถ้า พ, พูดถึงว่าโทษของกาบมันมีแต่กาบเต็มไปหมดท่านเราติดค้างอยู่ในโลก เดีวก็เปลี่ยนไปเดี๋ยวก็เปลี่ยนไ ป, ย ป, ยนไปอยู่บนสวรรค์ชั้นนู้นชั้นน้นชั้นน้นอายุเท่าไหร่สักหน่อยหนึ่งแล้วก็หมดอายุตกตกรงไแล้วไปเกิดเป็นบางทีไปตกนรกมันบางทีไปเป็นสนัตว์ในฉาลมันมางทีก็ไปอาบายมางทีมาเป็นมนุษย์ก็นับว่ายังดีตกมาจากสวรรค์มาเป็นมนุษย์ยังดีเพราะกรรมที่ทําไว้มันมีทั้งกรรมดีทั้งกรรมไม่ดีเรารู้ไม่ได้ว่าเราทํกำกรรมดีกรรมไม่ดี รู้ว่าเราทำกรรมอะไรบ้างท่านจึ ง, จงพูดถึงอานิสงส์ของการออกจากการมอานิสงส์ของการออกจากการรมก็คือความสงบของใจนี่นแหละใจเริ่มสงบใจเริ่มออกจากการมใจไม่นึกคิดว้าวุ่นคุนมัวกับเรื่องรูปเรื่องเสียงเรื่องปิ่นเรื่องรสเรื่องสัมผัสใจสงบอยู่กับอารมณ์ธรรมชะนี้เอา อย่างในขณะที่เราตั้งนั่งตั้งใจภาวนาพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธนี่แหละเป็นอารมณ์ธรรมไม่ใช่อารมณ์การไม่ใช่อารมณ์การกันกันบนจุดจอพิจารณาให้เห็นโทษของรูปของเสียงของกลิ่นของรสของสัมผัสถึงไม่จะสิ่งจะเป็นสิ่งเหล่านั้นจะเป็นอารมณ์การก็ตามแต่เราเอาปัญญาไปจับเพื่อให้เห็นข้อเท็จจริงของมันเพื่อจะเห็นทุกข์เห็นโทษเห็นไผ่ตามาที่พระพุทธเจ้าท่านสอนให้พิจรารณาก้อนกาม ก้ อ, กนนาาอนทุกข์ท่านจึงให้กําหนดพิจารณาก้อนทุกข์กองทุกข์ให้เห็นข้อเท็จจริงของมันไม่ติดไม่คล้องไม่ผัวพันให้เหมือให้หนายให้คลายให้จากพิจารณาก้อนกาวนี่คืออันสงกออกจากกาวอย่าลืมว่าจิตออกจากกาวคือจิตสงบนะจิตยังไม่สงบจิตยังชุ่มแปร่ไปด้วยกาวเราดูไม่ยากหรอกดูไปที่จิตมันติดรูปติดเสียงติดกลุ่มติดพลติดสมบัตมันง่ายหรือมันยากบางทีเราหัด จะออกได้ในขณะที่เราตั้ง อ, อกตั้งใจเจริญสมาธิจิตสงบทีนี้เวลาเราออกมาเนะี่ยมันไม่อยู่ในอารมณ์เดิมมันกลับไปมันกลับมากลับมากลับไปบางทีก็เจริญเจริญแล้วก็เสือเส่อมเสื่อมแล้วก็เจริญเจริญแล้วก็เสื่อมเพราะฉะนั้นเราปล่อยไม่ได้อืเราปล่อยไม่ได้ถ้าเรามาเทียบกับว่าจิตออกจากการคือจิตที่สงบถ้าเทียบกับไม้กับเหมือนกับไม้แห้งมันมาอะไร ฮะอ๋ะอหมกักหมักสังเดเออใช่เห็นแลบอ่าเราฟังผลมันเนี่ยเราก็พยายามหาเหตุมันอะไรเราคิดว่าใครไปชนฝาชนประตูชนอะไรเน่ยหมักสังตกใส่ลังคาตึ๊บตึ๊ บ, บ, บเนี่ยอืมเนี่ยทุกอย่างประสิจาิ์เหตุที่ไหนไม่มีไม่มีอะไรประสิจาิ์เหตุถ้าเป็นคนกลัวผีซะหน่อยโอ้เปรดมือยาวๆมาทุบลังคาแล้ว นะถ้าเป็นคนกลัวที่เหตุนะมันหลอกตื่นมอมันจับแล้วมันเสริมเติมเข้าไปเลยแหละทุกอย่างมันมีเหตุทท่านั้นแหละเราพูดถึงธรรมะนี่ท่านพยายามให้ย้อนมาดูที่เหตุพูดถึงอันในสงการออกจากกามเมื่อออกจากกามแล้วก็ให้พิจารณาเข้าหลักอริยสัจสี่เพราะฉะนั้นอนุปปภิกถาห้า พอพูทธย่อแสดงปั๊บพระองค์จะต้องขมวดด้วยอริยสัจสี่ทุกสมุทัยนี้โรดมาเพราะอันนี้คือหลักสัจธรรมที่แท้จริงที่จะทําให้คนคนนั้นเนี่ยเห็นเห็นสัจธรรมขึ้นมาเหมือนอย่างพระยศสัจคุรบุตรเนี่ยหลังจากพุทธเจ้าแสดงปั๊บแสดงจบปั๊บขมวดด้วยหลักอริยสัจสี่พระยศพระยศสัจคุ ร, ร, รบุตร ไ, ได้ได้เป็นพระโสดาบัน เป็นพระโสดาบันทีนี้พ่อตามหาได้วันนั้นอ่ะยักษ์สันนี้ออกเย้าบ้านตอนเวลาใกล้สว่างเพราะเบื่อนางบำเรอทั้งหลายทั้งปวที่หลับไหลดูเหมืนอนซาดเหมือนซากศพในป่ายชาเกลื่อนกล่ลไปหมดอ่ะเพราะเขาเป็นเสียถีได้บำบุงบำเรอมีความสุขทั้งคืนทั้งวันเนีบำรุงบำเรอด้วยการนั่นแหละคือกามาคุณนะไหมมันอิ่มพอเป็นมันเบื่อเป็น เบื่อเป็นพ่อตามหาพ่อตามไปไปไปหนทางที่ยักย์ไปพอดีไปเห็นรองเท้านี่รองเท้าลูกของเราดูไปดูมาเห็นพระพุทธเจ้าเลยเข้าไปกราบบัรดานไม่เห็นไม่ให้เห็นลูกบัณดานไม่ให้เห็นยศศักยศักะนั่งนั่งอยู่นั่นแหละแต่ไม่เห็น เราเธอจ ง, จงนั่งเราจะแสดงทําให้ฟังแสดงทําให้ท่านเสียจทีฟังนั่นยาาะยัสสะก็นั่งฟังอย่างนั้นแหละพอแสดงอนุแสดงอนุปพปิการกับอธิยสัสสีรอบหนึ่งพ่อเนี่ยได้เป็นพระโสดาบันลูกได้เป็นพระอาหารหันต์แน่ฟังรอบแรกได้เป็นพระโสดาบันพอฟังรอบที่สองเพราะจิตมันตั้งพื้นตั้งฐานได้แล้วมันขยับต่อพิจารณาต่อ ได้เป็นพระอรหันต์ยศสัจได้เป็นพระอรหันต์พ่อได้เป็นพระโสดาบันนี่พูดถึงอนุปุกพิคถาคือธรรมะที่แสดงโดยลําดับขั้นยัสัจกละบุตรก็เป็นโยมนั่นแหละเป็นครบวา น, นั่นแหละออกจากบ้านไปไปฟังธรรมยังไม่ได้บวชนะนั่ะมันลย์เป็นพระอรหันต์ยังไม่ได้บวชพอพอพ่อเนี่นน ย, ย ไ, ได้ลงตาเห็นธรรมได้เป็นพระโสดาบันแล้วเนี่ยพระเจ้าเลยคลายให้เห็นกัน อให้เห็นลูกก็ลลลเลยร้องบอกให้จงให้ชีวิตของแม่ของเจ้าด้วยร้องร้องหอมร้องให้เพราะลูกชายหายก็ลเลยยับสักครูเจ้าก็เลยตรว่ายัดสักไม่ควรที่จะกลับไปอยู่บ้านอีกแล้วก็ลเลยทราบว่าลูกของตัวเได้บรรลุธรรมก็เลยอนุมโมทนาโอ้เป็นบุญของลูกแล้วนั่นก็เลยนิมนต์ให้ไปเฉลย ที่บ้านมวให้ไปฉันปัตตาหานที่บ้านเสน็จ mm. แล้วก็เสด็จทแสดงตนเป็นอุบาศกคนแรกไปแม่ที่บ้านแสดงตนเป็นอุบาสิกาคนแรกในพระพุทธศาสนาแสดงตนเป็นอุบาศกอุบาสิกาคนแรกในพระพุทธศาสนามีเราพูดถึงเราพูดถึงจิตกับเพศ mm. ไม่เหมือนกันจิตก็คือจิตเพศก็คือเพศ อย่างที่เราเห็นนี่เพศคราวากับเพศนักบวช น, นุ่งเหลืองห่มเหลืองแต่จิตก็คือจิตเท่าเดิมเคยมีโมโหตัวโศอะไรมายังไงก็เท่าเดิมถ้าเราไม่ตั้งใจปฏิบัติเพื่อละเพื่อเวทเพราะฉะนั้นแต่บางคนมีความภูมิใจมีความภาคภูมิกับเพศของตัวเองนะ มีความภาคภูมิใจกับศินของตัวเองจะเป็นสินห้าสินแปดก็ตามสินสิบก็ตามเรากระยิบยิ<อ><อ>้มยิ้มเจ้าอบคุณกับสินของตัวเองโอ้เรามีสิลเราถือศินมีความอบ อ, อุ่นก็เลยเป็นพลังเป็นกําลังใจช่วยส่งเสริมช่วยส่งเสริมการประพฤติช่วยส่งเสริม ก, การปฏิบัติทําให้ในกําลังใจงนี่สิน ถ, ถ้าเราถ้าเรา ถือเพศเป็นเหตุให้กําลังใจมันก็มีกําลังใจได้เป็นกําลังใจได้แม้แต่ผู้หญิงเขาก็อยากบวชนาอยากบวชศินเนี่ยภิกษุณีศินสามร้อยสิบเอ็ดนะสินมากศินสามร้อยสิบเอ็ดอย่างสมัยปัจจุบันเนี่ยถึงแม้ว่าภิกษุณีจะขาดขาดศูนย์พันไปแล้วเขามีการสมมตุติบวชกันอีกมีภิกษุณีภิกษุณีไต้หวันไต้หวันชาวไต้หวันบวชภิกษุณี บวชที่ประเทศศรีลังกาดัมบุลาเราเคยไปแล้วถ้ำวัดดัมบุลามี่ถ้ำหลายถ้ำในนั้นมีพระโพธิสัตว์เป็นพันๆเป็นหมื่นๆอยู่ในถ้ำเต็มผนังถ้ำมังพเขียนไว้รูปพระโพธิสัตว์วัดดัมบุล่านี่แหละชาวไต้หวันไปบวชบวชที่วัดดัมบุล า, ล า, ดดลาพระที่ดัมบุลามากบวชให้สมมุติให้มีสมมุติให้เกิด เดี๋ยวนี้ใครอยากบวชเป็นภิกษุณีนุ่นไปบวชที่เป็นชาวไต้หวันเดี๋ยวนี้เมืองไทยเรามันไม่ใช่หลายร้อยรูปแล้วมั้งภิกษุณียังยังเต็มไม่ได้ระ บ, บาดมาเพรเราเห็นแถวนี้เท่านั้นเองภิกษุณีภิกษุณีถือศีลสามร้อยสิบเอ็ดบางคนก็มีความภาคภูมิใจเกี่ยวกับเรื่องศีลก็ศีลมากบางที่เขภูมิใจกับเพศการนุ่งการห่ม กับพฤติกรรมข้อวัดปฏิบัติที่เป็นอยู่ที่พระพุทธจาท่านฝากไว้ฝังไว้อะไรไว้พระสงฆ์เราก็สมมุติให้เป็นสงฆ์ภิกษุณีก็สมมติให้เป็นสงฆ์ภิกษุณีสงฆ์ภิกษุสงฆ์ภิกษุณีสงฆ์อุบาสกเราก็เป็นสมมุติให้เป็นอุบาสกอุบาสิกาก็สมมุติให้เป็นอุบาสิกาแล้วก็สมมุติเรียกกันไปเท่านั้นเอง เรามาพิจารณาดูแล้วถึงแม้ว่าจะขาดศูนย์พันจะเป็นของไม่แท้เป็นของปลอมก็จริงอยู่เป็นของปลอมก็จริงอยู่แต่เราปฏิเสธไม่ได้ถ้าเขาตั้งใจปฏิบัติเพื่อมันเพื่อผลจิตใจมันก็เป็นไปได้เพราะสัจธรรมที่เราพยายามตั้งใจปฏิบัติเพื่อเข้าถึงนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งสัจธรรมที่เราพยายามจะเข้าให้ถึงมันเป็นอีกเรื่องหนึ่ง สัจธรรมคือทุกสมุทัยนิโรธมันหยาบละเอียดลึกเข้าไปนะั้นคืออนนี้จังทุกขังอนาาันตานั่นคือสัจธรรมที่ทําให้เกิดความเบื่อหน่ายคลายใจพิจารณาตามหลักของอริยสัจอริยสัจก็คือพิจารณาเหตุกับผลผลก็คืออันตภาพร่างกายจิตใจเป็นตัวผลเราพิจารณาผลาย้อนไปที่เหตุสมุทัยคือตัณหาแน่ ขยับมาขยับมาถึงตัณหาเรามาขยับมาถึงตัณหาเนี่ยเรามาดูในมาจีปฐานทั้งสี่ท่านพูดถึงอะไรท่านพูดถึงการใช้สติเป็นหลักในการพิจารณากายพิจารณาเวทนาพิจารณาจิตแล้วก็พิจารณาธรรมพิจารณาเพื่อทําลายตัณหาในนี้มีการแสดงถึงเหตุเกิดของตัณหา มีการแสดงเหตุดับของตัณหาตัณหาเกิดที่ที่ที่ททอยายตนะภายในอยนายตนะภายนอกตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นเหตุที่ตัณหามเกิดตัณหามันอาศัยเกิดแต่ตาหูจมูกลิ้นกายใจมันเกี่ยวข้องกับใจรูปเสียงปีนปรถโพธิภพธรมรมารมณ์มันก็เกี่ยวข้องกับใจรวมมาแล้วคือใจดวงเดียวผู้รู้ดวงเดียว ทำให้สิ่งเหล่านี้ปรากฏเพราะฉะนั้นเวลาเราจะมาจับให้มันจุดจับให้อยู่จับตรงไหนจับที่ใจปัญหามันเกิกดมันเกิดที่ใจกากับดูแลกําหนดจด่อสัารวมมาที่ใจสรุปสัรงรวมกายทํากาย uh huh. อ, อ่า น, น้อมนั่งดับตาครึงแต่ใจฟุ้งซ่านอยู่ข้างใ น, นมันก็ไม่ได้ผล ผลจะเกิดที่แท้จริงเกิดที่ใจตั้งใจสํารวมกายแต่ก็ต้องสํารวมไปที่ใจตั้งใจสํารวมวิญาณก็ต้องสํารวมไปที่ใจเห็นไหมพ้นใจที่ไหนเพราะผู้รู้ดวงเดียวนี่แหละแสดงสิ่งเหล่านี้ปรากฏกับเราใจทันหาเวลามันจะเกิดมันก็เกิดที่ตาที่หูที่จมูกที่ลิ้นที่กายและที่ใจแท้ที่จริงมันเกิดจากใจมันเกิดที่ใจ ตาหูจมูกลิ้นกายนั่นนะ่ะมันเป็นเหตุสัมผัสให้เกิดไฟให้เกิดให้เกิดเป็นเหตุสัมผัสให้เกิดความรับรู้ทางใจเราจะเทียบกันเหมือนกับเหมือนกับประกายไฟมันจะเกิดจากสิ่งสองสิ่งสัมผัสกันนั่นแหละเช่นอย่างไฟแช็กเนี่นอย่างนั้นไฟแชแกที่เราแช็กไฟแช็กเนี่นเรากดชักหินกับเหล็กอ่า เหล็กมันไปสัมผัสหินชัดมันเกิดประกายเน่มันเกิดประกา ย, กกายตากับรูปกระทบกันตากับรูปกระทบกันตากับรูปกระทบกันถ้าไม่มีวิญญาณไปทางตาไปเห็นรูปมันก็คือคนตายแล้วแหละที่เหีที่คนเป็นเหมือนอย่างเราเราตาไปกระทบรูปครับ เมื่อเกิดไฟแช็คหินกับเหล็กมันสัมผัสกันชักเนี่ยเกิดยินดีเกิดยินร้ายถ้าจ ะ, จะถ้าจะพูดถึงธรรมะจะเกิดมันก็เกิดจากสิ่งเหล่านี้ตาเห็นโรคกระทบกันเกิดธรรมะแต่ถ้าธรรมะไม่เกิดตัณหาเกิดตากับโรคกระทบกันตัณหาก็เกิดเพราะฉะนั้นตัณหาจึงเกิด จากการสัมผัสกันระหว่างอยายตนะภายในอยนายตนะภายนอกออเกิดขึ้นจากวิญญาณหกความรู้ทางใจเนื่องจากตาสัมผัสรูปหูสัมผัสเสียงจมูกสัมผัสกลิ่นลิ้นสัมผัสรสกายสัมผัสความกระทบผัสสะเกิดจากวิญญาณหกเกิดจากผัสสะหกเกิดจากเวทนาหก ปัญหามาอาศัยเกิดแต่ละอย่างแอย่างสํารวจมาที่ใจสํารวมมาที่ใจเอาที่ใจตัวเดียวโยหมดจับที่ใจดวงเดียวโยหมดเขยับมาทางความรู้สึกอยู่เฉพาะใจสิ่งเหล่านั้นเขยับไม่ได้เขยับปั๊บจับขยปั๊บจับเอาอะไรมาจับสติธรรมสัมปชัญญะธรรมปัญญาธรรมมีสติหนุนหลังมีสมาธิหนุนหลัง อาสติเป็นพื้นเป็นบาตเป็นฐานกำ า, าจจังจะจ่ออยู่องอันนี้มันเป็นภาคปัญญานะภาพมหสติปฐานเป็นภาคปัญญาที่เราต้องต้องการทําให้ใจสงบอยู่กับอารมณ์หนึ่งเดียวเราก็ภาวนาไปที่พุทโธพุทโธพุทโธเหมือนกูบายานองศน์อันนี้เป็นภาคสมถะภาคสมถะพอเราทําให้ใจสงบบ่อยครั้งเข้ามันอยู่เป็นพื้นเป็นบาตเป็นฐานมีกําลังมีพลัง ที่เราปฏิเสธไม่ได้คือมีความสุขมีความอิ่มเ อ, อิบอยู่ในนั้นะบางคนก็มีฤทิ์มีเดชมีปัญญามีความสงบของใจที่สําคัญที่สุดก็คือเราทําให้สงบเพื่อจะเอามาเป็นต้นทุนในการพิจารณาปัญญาพิจารณาเกิดปัญญาจิตมันไม่หิวมันไม่ดีดไม่ดิน้นจิตไม่มีความสงบจิตไม่มีสมาธิคือจิตยังหิวอยู่จิตมันก็ดีดมันดิน้นดิ้นไปหารูปหาเสียงหากลิ่นหารสหาสัมผัส ถึงแม้ว่าเราจะหมาทำงานมันก็ทํางานไม่เต็มที่เย๋ยมก็หลุดไปพิจารณาไปพิจารณาเยิ้มก็หลุดไปพิจารณาไปพิจารณาไปก็หลุดไปพอหลุดไปแล้วตัณหามันก็สวมรอยเข้ามาแทนที่มันจะทํางานให้ทํามันก็ทํางานให้กับตัณหาเลยทํางานให้กับกิเลสถ้าตัณหามันไปแทรกในจิตของเรามันจะมีความยินดีจะมีความเย็นร้าตา เนโรคก็ตามหูได้ยินเสียงก็ตามคิมุกดมกลิ่น <Jub> ล <ilee> ิ้นลิ้มรสสัมผัสก็ตามตราบใดที่ตัณหามันแทรกเข้าไปมันจะเกิดความยินดีเกิดความยินดายเนี่ยแสดงว่าตัณหามันแทรกเข้ามาแล้วอัตตามันโผล่ขึ้นมาแล้วตามีความชอบใจมีความไม่ชอบใจเนี่ยตัณหามแทรกเข้ามาแล้วตัณหาแทรกเข้ามาทีไรเมื่อไหรอัตตาตัวตนมันก็โผล่ขึ้นมาความถือเนื้อถือตัวก็เกิดขึ้นความถือเนื้อถือตัวมัก็มีขึ้น ไอ้ที่พวกเราถึงเนื้อถือตัวกันแล้วก็ผิดกันทะละบอกไว้ข้กันมันก็ไปจากตรง น, นี้เพราะเราไม่ทันมันเป็นพิษสของตันหาทั้งนั้นเป็นไอของตันหาทั้งนั้นเป็นอินไอของตันหาทั้งนั้นเราไม่รู้เท่าทันมันเรามาศึกษาบทมารสรีประฐานเนี่ยมันขมวดมาเกี่ยวกับเรื่องเหตุเกิดของทุกข์คือสมุ ท, ทยัย ในขณะที่เราค้นคว้าอยู่นี้มันก็เป็นการเจริญมากมันเป็นการเจริญมากมัดดับทุกข์แต่สมุทัยเนี่ยมันเป็นเหตุก่อทุกข์ดับอะไรแนหะไปดับทุกข์ดับก็ต้องดับตัณหามัดเหตุเพื่อดับตัณหาอาศัยเหตุดับเหตุ ผลถึงจะดับเหตุให้เกิดทุกข์เวลาจะดับไม่ใช่ไปดับตัวผลให้ดับเหตุมาเป็นเหตุอาศัยเหตุทำไปดับเหตุกิเลสนีอาศัยดับเหตุทำไปดับเหตุกิเลสเพราะดับได้ก็เป็นนิโรธนิโรธคือดับความทุกข์มันดับความทุกข์มันดับมันเป็นนิโรธ นีห่ลหลักอิยสสีเราพิจรารณากายแล้วก็ย้อนมาดูจิตเหมือนอย่างที่หลวงตาส อ, สอนพิจรารณากายแล้วก็ย้อนมาดูจิตพิจรารณาจิตแล้วก็ย้อนไปดูกายพิจรารณากายก็ย้อนมาดูจิตสำรวจตรวจตราด้วยสติด้วยสัมปชัญญะด้วยสมาธิด้วยปัญญาทํางานประสานกันรวมกั น, นพิจรารณาย้อนไปพิจรารณาย้อนมา เพื่อเป็นการสำรวจตรวจตาระมัดระวังไม่ให้ตัณหาเกิดที่ใจเพราะตัณหาโดยลำเกินเกิดที่ใจยินดีปั๊บนั่นตัณหาเกิดลราจับได้มั้ยยินดีความยินดีในใจของเราเราจับได้มั้ยละเอียดนะใครเพ่งจับความยินดีได้จับตัณหาได้ทันตัณหาสมรุดตันหาชะลอตัณหาดับตัณหาได้ ดับตันหาได้ความยินดีไม่เกิดเห็นสัดแค่ว่าเห็นแต่รู้อยู่ว่าสิ่งเหล่านั้นดีและไม่ดีแต่ใจมันไม่ได้ยึดเมื่อเมื่อเวทนาไม่เกิดยินดีไม่เกิดยินร้ายไม่เกิดเวทนาไม่เกิดหมายว่าเวทนาตัหามันแทรกไปที่เวทนากับความยินดีความยินร้ายมันแทรกไม่ได้อุ ป, ปาทานที่มันจะยึดเอาไปยึดไม่ได้มันขาดช่วง อุปาทานเกิดไม่ได้ภพเกิดไม่ได้ชาติเกิดไม่ได้การยึดมัน่นถือมัน่นสิ่งเหล่านั้นเกิดไม่ได้นี่นี่อุปมาสาเหตุต้นต่ อ, ตอที่ที่ทําไมภพชาติจึงเกิดไม่ได้มันเกิดไม่ได้เพราะอันนี้เมื่อทหารดับความยึดมันก็ดับเมื่อยึดอย่างไงมันก็ไปเกิดอย่างนั้นยึดอยังไงมันก็ไปอย่างนั้นเหมือนอย่างเรานึกถึงอะไรทีก่กติกาเรา นึกถึงตอนนี้ว่ากลับจากนี้ไปเราจะไปทํานั่นกลับจากนี้ไปเราจะไปทํานั้นกลับจากนี้ไปเราจะไปเดินจงกลมกลับจากนี้ไปเราจะไปนั่งจงกลมเราไปยึดกับที่เรานึกเราคิดอย่างนี้พอเวลาล่วงนี้ไปเราก็ไปโผล่ตรงนั้นแหละแต่อันนี้มันเป็นเรื่องของมันเป็นเรื่องของมารถ้าเรายึดแบบนี้อันนี้มันเป็นเรื่องของมาร แต่ถ้าเป็นเรื่องของทรงไทยจะเป็นไงอ๋อเรากลับจากนี้ไปเราจะไปกินนู้นไปกินนี้หิวนะเมีย น, นั้นอยู่เมีย น, นี้อยู่หิวพกลับจากนี้ไปแนื่ด้วยเหตุที่มันคิดมันคิดไปแล้วมันอุ ป, ปาทานไปแล้วมันยึดไว้แล้วนั่นแหละไอ้สิ่งที่จะไปนั่นแหละนั่นแหละตัวนั้นแหะเป็นภพผู้ที่จะไป เกิในภพนั้นผู้ดไปใช้ไปสอยไปเสวยก็คือพูดนึกผู้คิดนี่แหละเนี่ยใช่ไมมันพันกันไปหมดนะนี่คือพลังของตัณหามันแทรกมันละเอียดเราศึกษามาที่จิตเราจะเข้าใจเรื่องเหล่านี้จะจะเข้าใจละเอียดกรีดย่อยของมันทุกขณะของจิตทุกอิริยาอาการของจิต มันมีช่องมีทางที่มันจะเล็ดลอดเกิดขึ้นมาได้แอบเกิดขโมยเกิดสิ่งหนึ่งเท่านั้นเนี่ยที่ชะลอมันอยู่ได้คือสมาธิสมาธิชะลอมันอยู่เฉยนะมันมันไม่ได้ยุบย่อไปมันอาจจะโผล่ขึ้นมาไม่ได้มันยุบย่อเฉยแต่ถ้าเป็นเรื่องของปัญญาคือทันมันในคณะที่มันเกิดโล่ขึ้นมาปั๊บทันปั๊บโผล่ขึ้นมาปั๊บเกาะปั๊บโผล่ขึ้นมาปั๊บจับปั๊บ บ่มาปักจับตั้งท่าจอดดูเนี่ยจนมันไม่กล้าโผล่เมื่อเมื่อมันไม่กล้าโผล่ล้วก็คลี่คลายคําว่าคลี่คลายคือพิจารณาดูทําไมมันถึงเกาะนี้ทำไมไมันถึงเกาะ น, นี้ทําไมไมันถึงเกาะ น, น, ไมไม น, นี้ไล่เข้าไปอย่าลืมว่ามันเกาะที่ไรอัดตาตัวตนมันโผล่ขึ้นมานะมันเ ก, กาะที่ไกลเนี่ยเราไปไล่ดู อัตราตัวตนมีอะไรเป็นอะไรท่านจึงให้ไปคลี่คลายเป็นไร่เป็นผมเป็นขนเป็นเล็บเป็นฟันเป็นหนังไปแยกเยอะเพราะไอ้ความเป็นก้อนเนี่ยแหละมันทําให้เราสําคัญมั่นหมายว่าเป็นตนเป็นตัวเป็นตนความเป็นตัวเป็นตนเพราะเราเห็นว่ามันเป็นก้อนเป็นแท่งนีท่านจึงให้เรามาแยกมาไล่มาแย่เป็นผมเป็นขนเป็นเล็บเป็นฟันเป็นหนังแย่หรือไม่ก็ไปเป็นดินเป็นน้าเป็นลมเป็นไฟอย่างนี้ อ้อท่าดินอ้อท่า น, น้ํทานนท่านลมท่านอะไรนะใช้การวินิจฉัย ใ, ใ ค, คล้ควรกําหนดจดจ่อพิจารณามีสติตํากับมีสัมพัญธ์ยับกับมีสมาธิหนุนหลังการทํางานแบบนี้เป็นการคลี่คลายทําให้เกิดปัญญาในขณะที่เราทําอยู่นั้นมันก็มันมันคอยจะมาสวมรอยนะพอขึ้นมาอีกก่ออีกหัวขาดพอขึ้นมาอีกมาปีดหัวขาด เพราะมันไม่มาปีหัวขาดบ่อยครั้งเข้ามันก็เข็ดมันก็ลาบเห็นความไม่คงที่ของมันเห็นความเปลี่ยนแปลงของมันนอกจากนั้นก็เห็นโทษเห็นไผ่ของกายกายกายนี้ไม่นิ่งกายนี้ไม่คงที่กายนี้เปลี่ยนไปกายนี้กองทุกข์ก้อนทุกข์จากนั้นขยับไปแหละจะเริ่มรู้เรียนอันนี้จันทุพังนาตาความไม่คงทนความเปลี่ยนไป ความเปลี่ยนไปความไม่คงทนความที่เรายึดมั่นถือมั่นกับมันไม่ได้สักอย่างหากมันเป็นไปตาอำนาจของมันเราจะเริ่มเห็นความความละเอียดของภาวะอันนี้มันเกิดขึ้นจากจิตของเราเมื่อก่อนมันไม่เห็นเพราะตัณหามันบงังตัณหามันเป็นมายาเป็นฉากหน้าบางังไม่ให้เราเห็นข้อเท็จจริงอะไรทั้งนั้นเพอเรา เริ่มไปเห็นเบื้องหลังของมันเริ่มเห็นเหตุเห็นปัจจัยของมันมันก็จะเริ่มจำนนจำยอมจำเนิมจำยอมแล้วก็หายตัวไปเลยพอเราจับได้ปั๊บมันจะหายตัวไปเลยเพราะสิ่งอันนี้ตัณหาเนี่ยมันไม่มีตัวมีตนมันมีตัวมีมันมีแต่อาการที่เกิดขึ้นที่จิตมันเป็นสัจธรรมที่ไม่มีตัวไม่มีตนทุกทุกเนี่ยยังมีตัวมีตนคืออัตภาพร่างกาย สมุ um, mango. ทัยเนี่ยไม่มีตัวไม่มีตนมีแต่กิริยาการที่จิตจิตไอ้ความเป็นกิริยาการของมันนั่นแหละคือเป็นตัวเป็นตนของมันเป็นตัวของเป็นตนของมันน่ะไม่ใช่ของเรานะไม่ใช่เราไปยึดว่าเป็นอัตตาของเราเนาะมันเป็นตัวของของมันมันเป็นสภาวะของมันมันมีมันเป็นของมันสภาวะของจิตคือผู้รู้ผู้รู้คือจิตจิตคือผู้รู้แต่มันเป็นผู้รู้ที่มี ตัณหามันเคลือบมาด้วยมันแฝงมาด้วยมันเกาะมันกลุ่มมาด้วยกันเกิดมาตั้งแต่กลับไหนกันไหนก็ไม่รู้แหละที่พวกเราหอมเหี่ยวกันมาในจิตของเรามันหอมเหีวกันมาไม่รู้เนิ่นนานสักเท่าไหร่มันก็ทํางานอยู่อย่างนี้บนหัวใจของเราถ้ารับปล่อยให้แต่กิเลสทัาไหลายทั้งปวงเหล่านี้ทํางานผลท้ายหน้าก็เป็นของเหมือนตัณหาก็แข็งข้อเนี่ยอะ แต่ถ้าเราตั้งใจปฏิบัติทำทำมัก็เริ่มแข็งจะเริ่มแข็งก็เรื่อยแต่มันก็แข่งกันแข่งขันกันอยู่ไปอยู่นั้นแหละต่อสู้กันอยู่นั้นแหละขยับการใช้จิตถ้าเผลอที่ไรเมื่อไหรตัณหาเขาไม่ใช้จิตถ้ามีสติมีปัญญารู้เท่าทันตัณหาตัณหามันหลบไม่ได้เอาธรรมมาทํางานกํากับประจําเพื่อไม่ให้ตัณหามเกิดมาแย่งมันมายื้อแย่ง ม่ยื้ยย่งกับมันแต่หากมันสร้างเหตุสร้างปัจจัยเข้ามาโดยหลักธรรมชาติเราไม่ต้องไปตั้งออกตั้งใจมันทำเข้ามันเองการที่เราจะมาฝ่าฝืนปฏิบัติให้เกิดอาจเกิดทำนี่เราต้องฝ่าต้องฝืนต้องตั้งอกตั้งใจต้องจดต้องจ่อปล่อยให้เปลี่ยนไปตามหลักธรรมชาติเหมือนตันหามันทํางานปล่อยไม่ได้ปล่อยเมื่อไหร่ตันหาแทรกเข้ามาปล่อยเมื่อไหร่ตันหาแทรกเข้ามาเพราะฉะนั้นจึงต้องตั้งอกตั้งใจตั้งสติ ตั้งความระมัดระวังอยู่ทุกระยะทุกเวลาผู้จะรู้เท่าทันสิ่งเหล่านี้ไปไปดูคําแปลในมาสิประฐานถ้าพูดถึงหลักของตัณหามันเกิดหลักของตัณหามันดับแล้วก็พูดถึงพูดถึงทุกถึงสมุ ท, ทยัยถึงนิโรธถึงมรรคแล้วก็ธรรมะบทอื่นๆหลายบทล้วนแต่เป็นเหตุทําให้เรามีความรอบรู้มีมีทฤษฎี อยาลืมว่าที่อยากเรียว่าทฤษฎีไมจ่จำเป็นแต่ว่าเราดูมาที่ของจริงของจริงก็คือเอาใจเป็นหลักเป็นฐานดูมาจาะมาที่ภายในใจของเรามีสติมีสัมผัญญรจังจามาจิตสงบมีสมาธิจาะมาที่ความรู้ของจิตของเราจิตมีปรรัญญาเพราะจิตโดยภาวะของมันมันก็รู้ ร, ร, ร, รู้อยู่แล้วอาศัยเกิดความรู้ไฟเวลามันจะเกิดมันเกิดจากปกาัจจยมันเกิที่ปัจจย มือ่อวานเราผีไฟชัดเ่ยชปล่อยแก๊สมาแก๊สมันออกขึ้นมาแก๊สมันออกมามันติดเป็นเปลวไฟโฉ่เนี่ยนี่เขาดัดแปลงเขดัดแปลงเขาดัแาดแปลงหลักธรรมชาติในการทําไฟที่พระเจ้าท่านเทศนั่นท่านท่านพูดถึงวิธีสีไม้เกิดไฟอันนี้ต้นต่อดังเดิมแท้ๆต้องการว่าไฟไฟมันเกิดจากการเสียดสี ที่ถ้เาเมาแสดงเป็นอุปมาสามสี่คอนอีกวิธีหนึ่งก็เมื่ อ, อยังไม้ขีดนั่นแหละไม้ขีดเขาเอาอะไรที่มันเป็นเหตุทําให้เกิดไฟไปใส่ที่ที่ปลายก้านที่ปลายก้านแล้วก็มีอะไรที่มันเกี่ยวข้องกันสัมผัสกันปั๊บมันจะเกิดประกายเป็นไฟขึ้นมาเอาไปขีดแชะโชวขึ้นมาเป็นเปลวไฟนะอันนี้คือเขาไปดัดแปลธรรมชาติในการทําไฟ แท้ที่จริงก็เกิดจากสิ่งสองสิ่งไปสัมผัสกันเห็นไหมสีไม้เกิดไฟก็อาศัยไม้กับไม้สีกันสิ่งสองสิ่งสิ่งเดียวเกิดไม่ได้สิ่งสองสิ่งสัมผัสกันจิตสัมผัสอารมณ์เกิดความรอบรู้เกิดความฉลาดสิ่งมานี้ตามมาเหมือนเปลวไฟเหมือนประกายไฟจุดเกิดความรู้เกิดปัญญาญาดเกิดหย า, ห น, านะครับท่าน สามารถมีความรู้แปลปราดอาศัศจรร์เพราะฉะนั้นความเป็นผู้รู้เข้าถึงธรรมคือจิตคือปัญญาภายในจิตไม่ใช่อัปภาพร่างกายแต่เราก็ต้องอาศัยสิ่งเหล่านี้เพราะของมันเกี่ยวเนื่องมาด้วยกันเราเกิดหลับในกองทุกข์เพราะร่างกายนี้เป็นก้อนทุกข์เป็นกองทุกข์มันจะไม่ก่อทุกข์ก่อโทษไม่มี เรอยู่หึงหวงทนุกสนางเลี้ยงดิบดีเท่าไรก็ตามมันก็เป็นก้อนทุกข์่นึ่งเลยสัยหนึ่งเดี๋ยวก็ทุกข์นหนึ่งเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็เหี่ยวไปเดี๋ยวก็เฉาไปเดี๋ยวก็เจ็บเดยวก็แก่เดี๋ยวก็เหี่ยวเดี๋ยวก็ตายไปในสุดที่จะให้กลายเป็นแท่งทองแท่งอะไรขึ้นมาไม่ได้เหมือนกับบัวโผล่ขึ้นมาจากที่ตรงที่โคลน นี่สิ่งเหล่านี้เปรี่ยวกันที่ต้มที่โคลนอัตรภาพร่างกายของเราถ้าจะเทียบกันเหมือนกับที่ต้มที่โคลนเป็นเหตุให้ดอกบัวได้อาศัยเกิดโผล่ขึ้นมาธรรมะเกิดขึ้นในหัวใจของเราใจของเราก็ได้ใจของเราก็เหมือนกับต้นบัวที่มันโผล่อยู่ในที่ต้มที่โคลนโผล่ขึ้นโผล่ขึ้นโผล่ขึ้นโผล่ขึ้นยืดไปจนบานได้พวเราได้ยินได้ฟังทั้งหูทั้งใจนะไปพอสมควรแก่เวลา Ahem. <coughs> <coughs>